้าวๆอย่างนี้ไว้นักปฏิบัติทั้งหลายตรงตั้งสติรู้ตัวว่าในขณะนี้เนี่ยเรากำลังบำเพ็ญเพียรอยู่การนั่งสมาธินั้น สมาธิก็คือความตั้งใจมัน่นเราจะต้องตั้งสติให้มั่นคงดารงอารมณ์นั้นอยู่กับตัวเองอยู่เสมอวันหนึ่งวันหนึ่งเรานั้นแทบจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองวันหนึ่งคืนหนึ่งตั้งแต่เราเกิดมารู้ภาษาเนี่ย เราก็ถูกฝึกเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งเลยที่ถูกฝึกมาฝึกให้เรานั้นรู้จักจกินจักอยู่จักนอนให้เป็นเวลาฝึกอ่านฝึกเขียนโดนพ่อแม่อุบ า, อาจารย์ฝึกมาเป็นเรียกว่าวัฒนธรรม ก็คือธรรมชาติเราไม่รู้ธรรมชาติอย่างแท้จริงแต่ในขณะนี้เนี่ยเราก็มาถูกฝึกอีกเช่นเดียวกันแต่การฝึกของเราคราวครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าอัตติอัตโนนาโถตนไม่ได้พึ่งแห่งตนคนเราเนี่ย มาเนโดยที่ไม่รู้ตัวรู้ตนเนี่ยไม่รู้ชาติกาเนิดของตัวเองว่าที่มาที่ไปเนี่ยจะเป็นยังไงมนุษย์ไม่รู้เลยแล้จะมีกลางวันกลางคืนก็นรู้ว่ามันเป็นกลางคืนกลางวันเท่านั้นเองรู้ว่าวันเวลานั้นมีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ึงเดือนมี30วันบ้าง28วันบ้างส1วันบ้างแต่เรานั้นไม่รู้ตัวเองว่าวันหนึ่งวันใดเนี่ยจะเป็นวันตายของเราแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันอะไรที่เกิดจากชีวิตเราหรือตัวเรา เราอยู่แบบไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราแสดงว่าเราใ้ยอยู่โดยที่ไม่รู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้ปลายว่าเราเนเกิดมาเพื่ออะไรนักปฏิบัติทั้งหลายการที่เราถูกฝึกจากกิเลสจากพ่อแม่ปุญญาตายาย เกิดจากสภาวะสิ่งแวดล้อมเช่นหูบ้างตาบ้างลิ้นกายใจเรียกว่านิมนต์ทั้ง5ได้บำลงบำเลอความคิดปรุงแต่งของเรานั้นเนี่ยทำให้เรานั้นเกิดสภาวะความคิดต่างๆนานาการคิดต่างๆนานาของเหานั้นเนี่ย เราไม่รู้เลยเราได้คาดคะเนนแล้วก็คาดเดาเท่านั้นแต่ในขณะนี้เนี่ยขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยที่เคยฟุ้งซ่านเคยคิดโน่นคิดนี่ลองคิดถึงตัวเองสิเราเคยเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวที่เขาพูดกันเราก็ไม่เคยเห็นตัวเราเนี่ย เห็นว่าได้อะไรบ้างเราเกิดมาเนื้อได้กินอาหารสามมือ้อเกิดมานอนแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็นอนเราเนื้อเกิดมาร้องให้ทําไมเสียใจทําไมแล้วเราก็เกิดมาหัวเราะตื่นใจยินดีหัวเราะ มีสองอย่างคนหัวเราะก็คือคนที่อารมณ์ดีก็คือสมหวังนะคนที่ร้องไห้มีความโกรธพยาบาทเรียกว่าคนผิดหวังนะสมหวังกับผิดหวังเป็นของคู่กันมีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนนะคนเราคิดได้บางคิดไม่ได้บาง เห็นบ้างไม่เห็นบ้างที่พูดกันอยู่ทุกวันนี้สิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยแต่แต่เห็นคนอื่นของความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันแต่นักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเคยเห็นตัวเองบ้างไห ม, มเราในช่างโง่นะักในขณะที่เราจะเห็นตัวเองเนี่ยต้องอาศัยกระจก เกี่วกัเห็นแสงสะท้อนนะผู้หญิงเนี่ยเห็นพกกระจกกันเนยเยา ว, ว่าเกือบเลยทุกคนเลยเห็นอะไรเป็นเงาเห็นอะไรที่เป็นรูปร่างของตัวเองเนี่ยแต่ชงโงกดูเลยนะส่งกระจกทําไมเราเนี่ยไม่เห็นตัวเองมันต้องอาศัยกระจกนั่นมันเป็นภาพ ภาพหลอนนะเป็นกระจกก็หมายถึงว่าเป็นเงาตามตัวเป็นสิ่งที่เราพอมองเห็นตัวเองด้วยอาศัยสิ่งที่มันสะท้อนนะคำว่าสะท้อนก็คือเห็นคนอื่นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันทำให้เราสะท้อนคิดถึงตัวเองในชั่วขณะ น, นี้เดียวเท่านั้นเองนักปฏิบัติ แในขณะนี้เนี่ยท่านทั้งหลายกำหนดไว้ที่ใจใจของโนเราเนี่ยเราต้องการให้คนอื่นมาปลอบใจเราเราต้องการให้ใจของเราเนี่ยเป็นคนใจดีใช่ไหมทำยังไงให้เราเป็นคนใจดี คนที่เขาใจดีเขาดีใจเนี่ยเขาทำยังไงเขาก็ยิ้มหัวเราะหน้าตาสดใสชื่นใจตื่นตาชื่นใจนะเป็นลูกดีแล้วแม้มันชื่นใจในขณะนี้เนี่ยเราก็ฝึกตัวเองซะเลยใจของเราเนี่เคยมัวหมองหยาบกระด้างมีแต่ความโกรธพยาบาทอาฆาตคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลา เราก็ปลอบใจตัวเองซะเลยให้ใจตัวเองดีเรียกว่าสมมุตินะพระสงฆ์ยังเป็นสมมุติสิสงแวแหวนเงินทองเสื้อผ้านเนี่ยก็เป็นของสมมุติทั้งนั้นเราไม่สามารถที่จะเสกได้ไม่สามารถที่จะทําขึ้นมาโดยความคิดของเราได้เราก็ต้องไปซื้อไปหาจะ ต, ต้องไปเรียนรู้มา ออกแบบที่จะต้องใส่เสื้อผ้าอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งแต่บรรทบุรุษของเราแหละเรียนรู้สืบต่อกันมาแต่ทําไมเราไม่มีสติรู้ใจของตัวเองบ้างนะในขณะนี้เรารู้ตัวอยู่เนี่ยว่าเรากําลังบําเพ็ญเพียรภาวนาอยู่หายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโธก็ยิ้มเข้าไว ก็มองเห็นต <and living S 2> ัวเองเนี่ยสว่างที่นั่งอยู่เนี่ยนึกถึงหน้าตัวเองซินึกถึงตัวเองในขณะนี้กําลังนั่งอยู่เนี่ยโอเอ้ยหน้าเวทนานักลองถามตัวเองซิหน้าตัวเองยังนึกไม่ค่อยจะออก ตานึกถึงหน้าและเห็นตัวเองนั่งอยู่ในขณะนี้ที่เราเหมือนนึกถึงผัวเราเมียเราแฟนเรากิ๊กเรานึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยในขณะที่บอกว่านึกถึงพ่อเนี่ยเราจะเห็นหน้าพ่อเราเลยจำได้เรียกว่าสัญญาไอ้สัญญานี้ก็คือความรู้หมายจําแต่อัที่รู้จริงๆเนี่ยเรา น่าจะรู้ตัวเองแต่เราน่าจะจาได้ตัวเองเนี่ยแต่ทำไมเราไปจาคนอื่นได้ไปเห็นมโนมโนก็คือภาพที่เรานึกมาเหมือนเราฝันนะเหมือนเรื่องจริง น, นันแหละแต่นี่เรานึกความจริงเนี่ยว่าตัวเราในหน้าตาเป็นอย่างนี้กาลังนั่งอยู่ในขณะนี้เนี่ย ทำไมเรานึกถึงหน้าตัวเองไม่ได้มันน่าเวทนาใจไหมเราเกิดอยู่กับมันมาตั้งนานเนี่ยอยู่ตั้งแต่เรารู้สึกว่าเราเกิดมามีตั ว, ม, ต ว, ม, ตวมีตนชื่อนาย น, นั่นนางนี่เป็นลูกของพ่อคน น, นนั้นแม่คนนี้ตระกูลนั้นตระกูลนีออ้ทำไมเรานึกได้แต่ทําไมเรานึกถึงตัวเองไม่ได้เออ ความดีเยอะแยะเนี่ยที่เขาสอนกันมาเราน่าจะเอาแบบอย่างหรือว่าเยี่องอย่างของคุณงามความดีเนี่ยเยอะแยะเลยแต่ความชั่วเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันดีกับชั่วเนี่ยมันของคู่กันก็เหมือนใจเราเลยใจก็คือจิตเรานี่แหละจิตดีจิตชั่วนะเมื่อเราหูได้ยินตาได้เห็น ไปได้สัมผัสถูกต้องเนี่ยเราก็ยึดติดความรู้สึกนั้นนั้นแต่ทำไมเออเนาะเราคิดว่าตัวกูของกูที่ทะเลาะกันอยู่ทุกวันเนี่ยทำไมพวกเราเนี่จึงนึกถึงตัวเองไม่ได้คนเราเนี่ยอยู่แค่สองหมื่นกวันหวงพ่อ บ, บาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้ ก็อยู่สองมื่นกว่าวันเอาไปแล้วก็ไม่ได้เห็นได้วังได้รั้วได้บริวารได้คุณทองแดงได้อะไรไปแแหวนเงินทองยาบยศสะะารเสริญไปแล้วสังขารตัวเองก็เอาไปไม่ได้อำนาจก็สิ้นเสื่อมลง เหลือแต่ดีกับชั่วก็วเหมือนกับตัวเรานี่แหละในขณะนี้เนี่ยเราได้มองเห็นตัวเองหรือย่างว่าโอโน๋นาะเราเกิดมาเพื่ออะไรที่เราบากบั่นหากินทุกวันเช้ากลางวันกลางคืนเนี่ยมันเหมือนลุงพ่อในนึกอยู่อย่างหนึง่งว่ากอเอ๋ยกอไก่ ไก่ในมันคุย้ยเขียหากินอยู่ทุกวันแพนอิ่มหนึ่งอิ่มหนึ่งเออไอมนุษย์นี่มันก็จำเป็นผู้กําหนดกินแก่อิ่มหนึ่งอิ่มหนึ่งเหมือนไก่เลยเวลากินก็ต้องคุยเขียในจานกอกแก๊กกอกแ ก, ก๊กเรต้องไปหาอาหารตรงนั้นตรงนี้เอามารวบเอามารวมกันเอามาใส่จานเพราะเราเป็นมนุษย์ เรารู้จักเอามารวมกันมาทำน้น่นทำนี่เวลากินเนี่ยก็ต้องมาเขีย่ยก็แ ก, ก๊กก็แ ก, ก๊กไปปากเหมือนไก่ละกินไปขี้ไปมนุษย์ก็เช่นเดียวกันกอเอ๋ยกอไก่เนี่ยอยู่ในเล้านะแต่มนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยอยู่ในครอบครัวนะอยู่ในวงของกรรมกรรมก็คือกาเนิดนั่นเอง ไตเนี่ยมันเกิดมามันคุยเขียหากินตัวผู้มันก็เสพตัวเมียไปวันหนึ่งวันหนึ่งไอ้ตัวเมียมันก็ถูกตัวผู้เสพก็คุยเขียหากินเป็นครอบครัวมันไปตัวเมียก็ไข่แล้วไข่เล่าออกคอกแล้วคอกเล่าเลี้ยงลูกจนโตพอลูกโตก็ทิ้งไปก็แล้วก็ต้องเลี้ยงคอกใหม่อีกแล้วไข่จนเจ็บตูดเจ็บก้นไปหมดไอ้ตัวผู้ก็ผัดกันไป เก่าก็แก่ชาลาลงไปไอ้ตัวใหม่มันก็เสพไอ้ตัวใหม่กันไปเสบพี่เสพน้องเสพแม่มันไปไอ้ตัวลูกก็ตีตัวพ่อไอ้ตัวแม่ก็ตีตัวลูกมันปัดเดลฉานเนี่ยมันก็จดจำในช่วงขณะระยะสั้นๆ น, นะมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเกิดมาจากสัตว์เดลฉาน สัตว์ก็มีหลายชนิดเหมือนเราเมีลาสีราสีปีของตัวเองปีชวดชัลโหลขันทบมะลงมาเสงมะเมียมาแหม่วอกละกาจอกกุลราศีสิบสองราสีนี่มันสัตว์ทางนั้นเอสัตที่มันเกิดในระยะเวลาเช่นช้างช้างนี่มัน ทุ้มทองหลายเดือนมากแต่เป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่แล้วก็มีความเฉลียวฉลาดถัดลงมาก็วัวควายมา้าปูเห็ดเป็ดไก่ตัดต่ดางๆนี่ก็ไล่กันมามีลักษณะแตกต่างกันไปเหมือนมนุษย์เลยมนุษย์ที่ตกอยู่ในอบายภูมิของสัตว์ รูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนมนุษย์หมดก็เหมือนกับสัตว์ทั่วไปมันเป็นสัตว์เดรจดับสัตว์นี้ก็มีรูปนามเป็นเผ่าพันธุเรียกว่าพันธุ์ทุ ก, กรรมของมันกรมของสัตว์ต่างๆมันก็ผัวพันธุ์ในวิถีชีวิตของมันเช่นลิงช่างบางชนีดจางมาโบไฟมันก็อยู่เป็นฝูงไข่ฝูงมันมันแยกสัตว์ส่วนมันแยกชนิดของมัน แต่ช้างเนี่ยมันก็จะมีหัวหน้าโขงไม่ว่าสัตว์อื่นๆใดๆ น, น, นี่มันจะมีหัวหน้าฝูงมนุษย์ก็ฉันใดก็ฉันนั้นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันแต่มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐ น, นะเรียกว่ามีความเฉลียวฉลาดมีการวิวัฒนาการเนี่ยดีกว่าสัตว์อื่นๆก็เลยได้ห่อผ้ามีผ้ามห่มกาย มีอาหารกินดีๆมียารักษาโรคมีการสร้างที่อยู่อาศัยรู้จักพ่อจักแม่จักพี่จักน้องเผ่าพันธุ์ของตัวเองในระยะยาวจึงยึดติดกันอยู่ทรกวันนี้กอเอ้ยกอไก่เนี่ยชีวิตไก่มันก็เหมือนกับชีวิตคนผู้หญิงก็นเนี่ยคลอดลูกแล้วคนแล้วคนเล่า แล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นผู้หญิงก็จะต้องเลี้ยงลูกเป็นผู้ชายก็จะต้องเลี้ยงลูกแต่ไม่ต้องท้องผู้ชายก็มีหน้าที่เสพผู้หญิงก็คือสามีก็ต้องเสพภรรยาเสพกันแล้วเสพกันเล่าเสพกันจนแก่แก่แล้วก็ยังมีลูกมีหลานเหมือนเป็ดไก่นี่แหละ กรรมที่มันเป็นกำเนิดก็คือกามรลาคะกามาตันหาตันนี่หมายถึงว่ามันถึงทางตันแล้วมันค้นหาทางออกไม่ได้แต่องค์สมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านมองเห็นวัฏตัการเวียนว่ายของสัตว์โลกได้เห็นว่าโ อ, โ อ, โอ้เนะ นุษก็คือสัตว์ตัวหนึ่งนะชนิดหนึ่งวันในอยู่กันเหมือนกับสัตว์ต่างๆที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยผัดกันเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นลูกคนผูกกันก็คือสัญญาสัญญาคือความรู้หมายจําที่จะต้องเกิดมาที่มีก่เอ๋ยก่กรรมเลยเป็นกําเนิดต้นเหตุแห่งการเกิด มนุษย์นี่ไม่รู้เลยสัตว์ต่างๆนี่ไม่รู้เลยผู้มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะรู้และมองเห็นด้วยยานอันวิเศษนะก็คือตัวปัญญาพระพุทธเจ้าเนี่บำเพ็ญเพียรมาถึงห้าร้อยชาตินะเป็นช้างบางังเป็นปัดต์ต่างๆกว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้นะพระพุทธเจ้าย้อนถึงห้าร้อชาตินะ แต่เราชาตินี้แกย้อนห้าวั น, นยังย้อนไม่ได้เลยแต่ผ่านมาห้าวันเนี่ยเรายังนึกไม่ได้เลยว่าไอห้าวันเนี่ยเราทําอะไรลงไปบ้างความดีเนี่ห้าวันเนี่ยเราทําอะไรไปบ้างแต่ถ้าเกิดเราบิดทาความชั่วที่ทําให้เราเนี่ยหม่นหมองใจเสียใจเนี่ยทำไมเราเนี่ย อยู่หลายวันมากคิดได้นึกออกปรุงแต่งร้องห่มร้องให้ความผิดหวังเสียใจเนี่ยครับแค้นใจเนี่ยบางคนสิบปีมันยังไม่หายแค้นใจเลยเห็นไหแสดงว่าความชั่วยหยาบเนี่ยมันนานมากมันเก็บเหมือนมีจิตใต้สำนึกเนี่ยมันนึกได้คิดออกตะกูลมึงตะกูโกูเห็นหั้ย หัวมึงพ่อมึงแม่กูครอบครัวไอ้ตระกูลนี้มันไม่ดีกับตระกูลเราเก็บแค้นช้ำใจกันไปนานมากร้อยปีก็ยังไม่สาย <c oughs> เห็นไหมแต่ความดีเนี่ยเราก็มีให้เห็นแต่เราคิดไม่ค่อยได้ทำไมเราคิดไม่ค่อยได้เพราะเรายังมองไม่เห็นนักปฏิบัติ เมื่อเราเห็นใจเราเราเนี่ยไม่ต้องให้คนอื่นมาเห็นใจเราในขณะนี้เนี่ยเรามองใจที่มันเต้นเนี่ยยิ้มเข้าไว้อย่าลืมไว้พยายามตอบใจตัวเองยิ้มให้กับตัวเองเขา้าไว้จะให้คนอื่นมายิ้มให้เราทั้งวีทั้งวันเนี่ยมันก็ บ, บ้าแล้วจะให้คนอื่นเนี่ยเขามาทําให้เราชื่นอกชื่นใจทั้งวันเนี่ย ใครเขาไม่ทนอยู่กับเองหรอกจะแสดงว่าเองคนบ้าแล้วแต่ในขนาดนี้เนี่ยเรามาฝึกใจของเราองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าว่าความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่จิตตัวนี้นี่แหละไอโรโมโทสันก็มีจิตคิดบุงแต่งตามเป็นพันธุ ก, กรรมกันมา หรือก็กาเอ้ยกไก่นั่นแหละกไก่ในมันเกิดแต่กรรมกรรมเป็นเครื่องกำหนดที่จะให้เกิดก็คือกรรมลาคะตรงผลแห่งความรักความยินดีในรูปนามของสามีและภรรยาเห็นไหมต้นเหตุเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติในเราไม่รู้ต้นเหตุมันก็สายต้นล้ลย สายที่ไปเหตุเห็นไหมแต่ไอีตัวสุดท้ายนี่สิหอนกฮูกาตาโตไอตัวตอนจบเนี่ยไ อ, อ้นกฮูกเนี่ยมันหากินตอนกลางคืนนะเราไม่ค่อยมองเห็นลักนกฮูกมันจะหมอบมันจะซ่อนนะไอคนที่ใช้ชีวิตที่มันมืดมืดมนม น, มนเนี่ยสิ่งที่มันเป็น ไ, ได้อยู่ในที่แจ้งหากินที่แจ้งคนอื่นเขาจะเห็นเนี่ยจะเป็นอันตรายเนี่ยก็ยคือความมืดหลบหลบซ่อนๆก็คือไอ้กิเลสนั่นเองไอ้กิเลสเนี่ยมันซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกเรียกว่าสันดานนะสันดานก็คืออปปนิสัยเดิมอุปนิสัยเนี่ยมันเนิ่นานานเหมือนเยี่ยงสัตว์เราเคยเกิดเป็นสัตว์อะไรต่างๆนานๆเนี่ย มันจะมีอุปนิสัยสันดาเนเอี่ยวเนื่องกับเราต่อเนื่องเพราะมนุษย์เนี่ยเป็นคนที่เวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้ายัางเป็นช้างเป็นปลิงเผือกเป็นกวางเผือกนะเป็นหลายๆอย่างสัตกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าต้องสละลูกสละเมียต้องมีนายโชชก ขอทานขอกบทั้งลูกกบทั้งเมียนเดือดร้อนไปหมดนะเพราะฉะนั้นหอนุคูกตาโตเนี่ยเ ป, เ, ปเป็นตัวสุดท้ายนะบางคนตายตาไม่หลับเลยเห็นไหมมืดมนพระพุทธเจ้าบอกมาแจ้งแล้วกลับมืดเนี่ยโอ้โหน่าเวทนาใจอย่างมากไม่เห็นเดือนเห็นตะวันนะกตเหมือนกับคนที่หากินในกลางคืนเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นแม่บ้านเนี่ยก็ต้องตื่นแล้วเหมือนแม่โคเนี่ยตื่นแล้วทั้งหัน่นทั้งสับเราเนี่ก็เป็นสัตว์อยู่แล้วเดี๋ยวก็จะกินสัตว์เข้าไปเรียกว่าซุปเปอร์สัตว์นะกินทั้งสัตว์อีกสัตว์เลื้อยคานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํากินกระทั่งวัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่ควายลองนึกถึงตัวเสียนะ ลองเห็นตัวเห็นไหมเห็นขี้ไก่ขี้เป็ดหน่อยอีเหม็นแต่กูเห็นนะมึงแดกจนตาลาบแล้วเนี่ยในขณะนี้นะลองนึกสิว่าเราตั้งแต่เล็กจนโตจนลภภาษาเนี่ยบัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่อยู่ในตัวเองเนี่ยอยู่ในกระแสเลือดของเองเนี่ยมาพิจารณาแล้วโอ้ยความเป็นมนุษย์เราเดี๋ยวทัจะไม่มีเลย ร่างกายของคนเรานั้นมีแต่สัตว์ที่เรากินเข้าไปกุง้งหอยปูปลาปูเห็ดเป็ดไก่นั้นลักษณะของสัตว์เนี่ยเรียกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเรียกว่าสัตว์นรกคนที่นั่งสมาธิเห็นนรกสวรรค์นมันหลอกลวงทั้งนั้นมันเป็นความโง่เง่าเต่าตุนนะนรกก็ให้เห็นเลย อารมก็คือความว้าวุ่นใจไม่สบายใจเล่าร้อนใจเสียใจร้องขมร้องไห้บางคนถึงก็ฆ่าญาติพี่น้องบางคนเหมือนก็ฆ่าคนที่รักบางค น, นก็ฆ่าเพื่อนที่รักอ่าเมียที่รักเห็นไหมนี่หรือความสุขสวรรค์สวรรค์มันมีตรงไหนเห็นเขามีแต่ภาพจีวาดกันไว้ ก็เหมือนมองเห็นภาพนะพระบาทสมเร็จก็คือกล่าวว่าปิดทองหลังพระเห็นหมากแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นผู้มีบริสุทธิคุณด้วยสติและด้วยปัญญาท่นานสะสมการบำเพ็ญเพียรผิดถูกชั่วดีนี่มามากท่านมองเห็นวัตตะว่าโอ้เนอชีวิตคนเรา มนุษย์เกิดมาก็เป็นผัวเป็นเมียเลี้ยงลูกดูพ่อแม่ปูย่ย่าตายายเราสิว่าท่านได้อะไรไปบ้างเหมือนกับพ่อหลวงพ่อเนี่ยแม่ของหลวงพ่อเนี่ยเลี้ยงหลวงพ่อมาเนี่ยไม่ใช่น้อยยี่สิบกว่าปีฮะเลี้ยงพวกปี่ๆเนี่ยยี่สิบสามสิบปีสี่สิบปีโอ้โหมันมากนานจนอายุตั้งหกสิบ 60กว่าปีเสียชีวิตบ้านก็เอาไปไม่ได้เมียก็เอาไปไม่ได้ผัวก็เอาไปไม่ได้เมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ร้องให้เสียใจพี่ทางก็ต้องแบ่งเฉลี่ยพี่เบียเฉลี่ยน้องแบ่งกันไปไอ้บางคนได้มากก็ยิ้มไอ้คนได้น้อยก็เสียใจเห็นไหมแกได สมาหากินตะเกียกตะกายทุกเชา้าทุกเย็นตั้งแต่เรารู้สึกลืมตาห้าปากมาเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องหุงข้าวไว้ให้กินแล้วพ่อก็จะต้องออกไปหางานไปหาเงินตั้งแต่เชา้าแม่ก็จะต้องหาคอนไปไร่ไปนาไปสวนไม่เคยเห็นว่าท่านจะได้นอนทั้งวันทั้งคืนได้เห็นตอนเย็นๆจะมารวมกัน ถ้าต้องกังวนไปไหนว่าไปทำงานหาเงินเนี่ยวัตถุดิบดีบุกกระดาษที่้าใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยมีทองก็ทองนั่นก็เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งมาจากดินเนี่ยอยู่ฝังอยู่ตามดินตามป่าตามลกแหวนเพชรพลอยเนี่ยมันก็เป็นกวดหินดินทรายที่แปลสภาพ ที่มันมีน้อยก็เลยมีมีราคามนุษย์เอาเอามาอุปมาอุปไมยเราลองถามตัวเองสิว่าเอน อ, อ, อน้อไอหอนกหูตาโตเนี่ยมันเป็นนกผีที่เขาพูดกันปัจจุบันเนี่ยมันน่ากลัวตามันโตมันหลอกทำท่ า, ทายุกยักยกึกยักหลอกมันก็กินหนูกินมแมลงกินสัตว์ต่างๆ ตอนในหากินยามวิ่การนะเขาจึงอุปมาโอปามายคนที่หากินไม่รู้กับกลางวันกลางคืนกลางคืนไม่นอนนะครับตรงนี้พวกนกฮูกนะพกฮูกนะเป็นมนุษย์ครั้งข่าวพวกนี้นะเขาเปรียบเทียบเราเนี่ยคิดไม่เคยสว่างให้กับตัวเองไม่เคยมีสติรู้ตัวเองมาก่อนว่า โอ้ร่ oh, no. างกายเราเนี่ยเป็นหลังของโลกนะร่างกายของคนเราเนี่ยเองว่าสวยว่าหล่อกันเนี่ยลองทรงผมมึงเนี่ยลองไม่สัดไม่สางไม่ล้างเนี่ยเป็นกระเซิงเหมือนผีเลยฮะหน้าตาลงไม่ล้างเด้ฟันเราไม่แปรงมันโอ้โหไม่ไมต่างกับห้องน้ําบ็อกซี่บ๊อกซี่ ก็มีขี้หัวตาก็มีขี้ตาหูก็มีขี้หูจมูกก็มีขี้มูกตาก็มีขี้ฟันขี้เสเลดน้ำลายโอ้โหความสวยความหลอ่อของมึงในหัวนี่ก็ซุปเปอร์ขี้แล้ว้อมนะ้อมกันเข้าไปโต้กันเข้าไปนะกอดกันไปไอ้ศพอีศพนะ พอเรามาพิจารณาเหมือนกับถุงพลาสติกห่อขี้ น, นะฮะเวลาเลอออกมาที่ก็เหม็นแล้วต้องรีบปิดปากจามไอกันติดเชื้อโรคในขณะที่อึกมาตัวเองยังเหม็นยังต้องรีบล้างรีบโกกลงไปออมันเหม็นมันออกมาจากไหนไออุจลระเราเนี่ยปัสสาวะเนี่ยมันเหม็นมากก็ออกมาจากตัวเรานี่แหละ ไหนว่าตัวมึงดีไงในปากก็มีขี้เลษน้ำลายมีเศษอาหารเก่าอาหารใหม่ติดฟั น, ต, ฟนติดเฟืองเต็มไปหมดในท้องเราก็มีลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระเพาะขี้กระเพาะเยี่ยวตับม้านปอดมีไตมีเหมือนกับสัตว์ที่เราหลอกออกมาเห็นตับไตไส้พุงที่เรากินอยู่เนี่ย เราก็เป็นสัตว์อยู่แล้วดันไปเอาสัตว์นรกเรียกว่าสุปปสัตว์กินประเขนเข้าไปเพื่อกินเข้าไปสัตว์มันก็อยู่ในกระแสเลือดแล้วสันดานเดิมเราเนี่ยเวียนว่ายไตเกิดเป็นนนต์เป็นนี่เป็นสัตว์นั้นเป็นงูเป็นวัวเป็นฝ้ายเป็นไก่เป็นกุ้งหอยปูปลาเรียกว่าอบัยภูมิมนุษย์ตกนรกอยู่ในอบัยภูมิ เป็นปูมของเป็ดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเปดที่ลุงพ่อบอกว่าคือเด็กตัว น, น้อยเนี่ยมันร้องปี๊ดปิ๊ดปี๊ดมันกินแต่นมกินแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองเป็ดเนี่ยเสื่อผ้าก็ไม่ใสตั้งไข่ล้มต้มไข่กินอยู่อย่างเงี้ยมันดืบคืบคานไปร่างกายก็แปรเปลี่ยน พ่อแม่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่มันลูกกูลูกกูแต่แค่มันเป็นเป็ดนะเป็ดนะมาเกิดในอันดับแรกปั่นน้ำเป็นตัวมันก็กอหกมันก็เกิดจากพ่อแม่เสพกามจากน้ํากามเน่ะมันก็เกิดจากลังไข่ของแม่ค่อยค่อยขยายเป็นเหมือนกับสัตวนะ์เนี่ยมันค่อยค่อยมีมือมีเท้ามีหัว มีอาการ32เกิดขึ้นคลอดออกมาก็ต้องตัดสายลกสายสะดือกันแล้วเลี้ยงตั้ง10ปี20ปีเนี่ยยังไม่ได้กางเกงในสักตัวเลยพี่นั่งอยู่เนี่ยอยากจะถามว่ามีใครซื้อกางเกงในให้พ่อให้แม่บ้างรวมทั้งหลวงพ่อเนี่ยมันยังไม่เคยซื้อให้เลย มีใครบ้างใส่กางเกงถุงน่องรองเท้าให้พ่อยแม่ทุกวี่ทุกวันเจดปี8ปดปีเจ็ดควบเรยังใส่ให้อยู่เลยนะเ7เจ็ดวันเราก็ยังไม่เคยเลยเจ็ดนาทีเจ็ดชั่วโมงก็ยังไม่เคยทำแบบนี้ให้กับพ่อแม่ พ่อแม่ต้องเช็ดขี้เช็ดเ ย, ยวปอนข้าวปอนน้ำเอาไปนอนอาบน้ำหมพระหมให้ต่างที่อยู่อาศัยกลัวยุงจะกัดไลจะตอมลองนึกสิเราเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราคิดว่าเราเป็นคนดีนักดีหนาเนี่ยคนดีที่สุดของเราก็คือพ่อแม่แต่ทำไมเรานึกไม่ค่อยได้ ทำไมเรานึกถึงแต่ผัวแต่เมียนึกถึงแต่ความรักความผูกพยาบานอาฆาตทําไมเรานึกถึงแต่แก้วแหวนเงินทองบนพ่อแม่ก็นึกว่าลูกเนี่ยได้ทานข้าวหรื อ, อยังแต่ต้องป้อนนมป้อนน้ําเราลองนึกสิว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมีความคิดยาว น, านวั้นกว่าสัตว์อื่นๆ หมามันยังเลี้ยงลูกประมาณสักเดือนครึ่งถึงสองเดือนมันก็ทิ้งละมันก็เริ่มกัดลูกกัดแม่ไม่รู้พ่อรู้แม่เสศกันมั่วหมดแต่มนุษย์เนี่ยมันมีความรู้สึกเรียกว่าจิตใต้สำนึกเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีน้อยกว่าความชั่วเนี่ยความโลภความโลภความอยากความหลงลงเนี่ยมันน้อยกว่า การคิดทวีคูณของความอยากได้เวลาเรามีความอยากยายก็มีความทะเยอทะยานล้วไปในเละ ก, ก็ต้องเอาโดเดี่ยมลองนึกถึงความคิดของตัวเองในขณะนี้เนี่ยเออเนาะพ่อแม่เราดีที่สุดในโลกเราไปไหว้อะไรก็ไม่รู้ชีวิตเราอยู่แค่คนเดียวเนี่ย เหนื่อยแล้วแต่ต้องกินต้องนอนต้องอาบน้ำต้องใส่เสื้อผ้าดันไปคว้าลูกผัวตัวเมียก็ต่างคนต่างหลอกกันผมรักคุณคุณรักฉันนะไอ้ที่รักกันนะ่ยทำไมมันไม่อยู่ติดกันเหมือนกับไอหุ่นนี้ก็ปั้นกันนะทำไมเราแยกจากกันละ่ะ ที่รักกันเนะ่ยเพราะว่าเราจะไปเสพกามกันแต่ทําไมหลวงพ่อพูดอย่างนี้มันเป็นเรื่องของวัตตะคือการเวียนว่ายมันเป็นเรื่องของสัตว์โลกมันเกิดมาจากต้นเหตุก็คือพ่อแม่ในเสพกันมาก่อนพอเราถึงวัยเจริญพันธุ์เหมือนกับสัตว์แมลงต่างๆเลย มันก็จะต้องเสพกันขยายเผ่าพันธุ์กันตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายตามเผ่าพันธุ์ของมันไมเน่เป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นว่าโอ้โนอสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิด เ, เรียกว่าสัตว์นรกคนนี้ตกนรกทั้งเป็นไปเกิดมาเนี่ยตะเกียกตะกายหากินไปวันหนึ่งวันหนึ่ง แค่สองหมืนกว่าวันก็ตายแล้วตายแล้วไอ้ลูกก็ก็ต่อกันไปอีกเนี่ยเวียนไหวอยู่อย่างเงี้ยเรียกวัดตะน่าสงสารมากเมื่อท่านพระองค์ท่านเห็นแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงใหม่ๆหม่ท่านเห็นว่าโอ้วัดตะคือการเวียนไหวเป็น่างมนุษย์มาเป็นงูบ้างจากงูมาเป็นมนุษย์บ้าง ลงไปก็โนนไปอยู่เมืองบาดาลก็คือท้องทะเลทะเลก็มีสัตว์ต่างๆแม้จะเป็นสัตว์น้ําก็มีชื่อช้างน้ำตัดบนบกก็ช้างตัวใหญ่ที่สุดในทะเลก็คือปาวาฬเห็นไหมมันอยู่บกไม่ได้มันก็ต่ําลงไปองุ่นหอยโปรปลามนุษย์ก็ไปงมเอามากินอยู่ตรงไหนก็โนนกินเรียกว่า สัตว์นรกเราเห็นว่ามันไม่มไม่มีมูลค่าว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของเราก็ไปหามาหาแล้วก็เอามากินสัตว์นรกที่อยู่ตกท้องบาดาลเนลึกลงไปเนี่ยเ้าเรียกว่าขุมนรกสุดท้ายแล้วปลาไหลปลาหลดอยู่ในดินเรายังเอาไฟชอ็อตขึ้นมากิน คนที่ร้ายที่สุดก็คือมนุษย์นี่แหละเร็วซ้ำที่สุดก็คือมนุษย์นี่แหละก็คือตัวเราเนี่ยแหละอันนี้ถ้าเกิดตัวเราเนี่ยไม่มีการฝึกนะคนที่ได้มาฝึกอยู่ในขนาดนี้เนี่ยคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้ลานคนเนี่ยเขาไม่เคยมาจับเราเนี่ยมาใส่กองแล้วก็ฝึกอย่างเงี้ย สติสติแปลว่าผู้รู้ตัวในขณะที่เรารู้กับคนที่ไม่รู้เลยเนี่ยร่ยมทําใจไม่ได้นะในบ้าน <c oughs> หลังหนึ่งมีสักเจ็ดคนเนี่ยมาฝึกอยู่หนึ่งคนในขณะนี้เนี่ยกลับไปไปเจอไอ้หกคนที่มันไม่ถูกฝึกเลยอะ่ะแล้วเราอยู่ร่วมกับเขาเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างมาก มันมองก็นคนละอย่างคิดกับคนละเรื่องอีกคนนึงนี่มันบาปเอเมนบอกว่าบาปกินไม่ได้ตัวยังไงว่าบาปเนี่ยดูแล้วเราเนี่ยฝึกกันอยู่คนเดียวเนี่ยแต่เราทำใจไม่ได้ไปคล้องแวะอารมณ์คนอื่นเราก็รู้สึกว่ากดดันนะใครทำไม่ดียังไงถ้าเราไม่มีการฝึกอุบเบกขาบารมีวางเฉย เฉยไม่ได้เราก็เดือดร้อนตัวเองคิดฟุ้งซ่านไปบอกคนนั้นคนนี้ไปทําดีอย่างงั้นไอ้เขาทําอย่างนี้ไอ้เลวไอ้ช่วอี่ช่วไอ้เลวด่ากันแต่ถ้าเรามาฝึกแล้วเนี่ยในพระธรรมคําลังสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกอุเบก ข, ขาเนี่ยคือวางเฉยเฉยอ ย, ย่างไง เขาก็จะต้องบอกเราเราก็จะเป็นผู้รู้เมื่อเรารู้ตัวรู้ตนว่าเหตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลาย<ม>เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจาเนี่ยอนิจจังเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงอะไรที่เป็นของไม่เที่ยงที่เรามองเห็นก็คือสังขารไม่เที่ยงอย่างหยาบนะโยม สังขารเนี่ยเกิดมาเราเห็นเด็กแล้วเราก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็แก่เป็นคนแก่เห็นคนชราไม่ให้เห็นเลยแต่ทำไมเรามองไม่เห็นว่าพ่อแม่เนี่ยแม้แต่เกิดมาเนี่ยตายไปเนี่ยก็เอาอะไรไม่ได้คนแก่ก็ต้องเจ็บไข้ป่วยไข่ยอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีทุกขเวทนาไอคนที่เห็นพ่อแม่เจ็บไข้ป่วยไข้ เป็นทุกข์ก็คือลูกเข้าไปอีกพ่อแม่เห็นลูกเป็นทุกข์เดือดร้อนพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ไปด้วยเห็นไหมซุปเปอร์ทุกข์เลยเป็นรถพว่วงเป็นรถไฟเลยแต่ถ้าเราไม่ฝึกมาเนี่ยเห็นสัจจะสัจจะคือความจริงว่าโ อ, โ, โอ้เนาะตรงได้นะละได้ตัดใจได้เนี่ยเราก็จะห่างออกจากอารมณ์นั้นเสีย อารมณ์ที่มันเป็นทุกข์มันก็แค่ความปรุงแต่งนึกคิดเท่านั้นมันเป็นการปรุงแต่งพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้มนุษย์เนี่ยเป็นธาตุของกิเลสก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ของความโลภคือความอยากได้ความโกรธก็คือโทสะความโมโหโดุร้าย ความหลงก็คือยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูทรัพย์สมบัติของกูเนี่ยไหนตัวมึงอะ่ะมึงยังมองเห็นตัวเองไหมนึกถึงหน้าตัวเองยังนึกไม่ได้นับภาษาอะไรจะเป็นตัวมึงของมึงถ้าเป็นตัวกูของกูหรือตัวมึงของมึงเนี่ยก็ทำไมไม่เห็นตับไตไส้พุงอะ่ะทำไมไม่เห็นว่าเอ้าอันนี้มันเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นมนุษย์ที่ตายไปเนี่ยที่มันเป็นมนุษย์ไม่ได้ก็เกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆรูปนามของสัตว์นรกนอฮะสัตวนรกนั้นมีเขาบ้างตัวเป็นมนุษย์ที่อุ ป, ปมาอุปไมในภาพที่เขาเขียนกันไว้ว่าสัตว์นรกตัวเป็นหัวควายหัวงูหัวไก่หัวเป็ดแต่ตัวเป็นมนุษย์เขาให้เห็นว่ามนุษย์นี่แหละ ตกล่อนอยู่ในอบัยภูมิเนี่ยทั้งที่เป็นมนุษย์เนี่ยแต่มีใจเป็นไก่มีใจเป็นวัวเป็นควายก็คือความโง่เนี่ยมันครอบเอาเรื่องของคนอื่นนํามาใส่หัวตัวเองก็เรียกว่าเขา่ามีงามีงวงมีเดือยมีเล็บมีเขี้ยวมีฟันเห็นไหมจัดต่างๆมันก็ใช้ประโยชน์ของมันแต่มันอยู่ในตัวมึงทั้งหมดนี่แหละ นันักปฏิบัติทั้งหลายเราจะต้องรู้ต้นเหตุแล้วก็ต้องรู้ปลายเหตุยังเหลืออีกสามลาตีนะจะได้รู้ว่าจิตของเป็นมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติพมสมบัติเป็นพระอริยสงฆ์อริยเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเขาเป็นกันยังไงทำสภาวะจิตให้หลุดพ้นจากอบายภูมิเนี่ย ว่าเป็อสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาหลุดกันยังไงไปจะหลุดกันหลุดลุ่ยนะมันหลุดจากสภาวะของการกระทำความคิดของเป็ดอสุรกายสั ต, สตเดราชฉานแยกแยะได้กนะ็ต้องมีการฝึกฝนมีการบอกกล่าวแต่ต้องมีการนั่งสมาธิ สติสติคือความรู้ตัวก่อนเมื่อมีสติแล้วก็มีปัญญาปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังหารอย่างที่หลวงพ่อกําลังบอกพวกเราอยู่เนี่ยว่าต้นเหตุต้นสายปลายเหตุเหลืออีกสามราตีหลวงพ่อก็จะบอกว่าจะทํำยังไงต่อไปอรวันนี้ตะคองเวทนาทุบบ้างจะถ่ายดักถ่ายเบา ปวดเมื่อยง่วงเหงาเหานอนหิวโหอยอาหารปต่กงถึงเวลาไมหมดครับ